วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยสบสากันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดความเจริญให้แก่จิตใจเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆธรรมะวันนี้ที่เราจะมาฟังกันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะตั้งอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้นั้นก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระรัตนัยพระพุทธพระธรรมพระสง์ ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนานี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับพวกเราทุกคนที่เราเกิดมาได้นี้เพราะเรามีพ่อมีแม่ถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ฉันใดพ่อแม่ของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรยัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการเกิดขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เกิดขึ้นตามลำดับขั้นขั้นแรกนี้ต้องมีพระพุทธเจ้าตัดสลโขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนหลังจากที่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีพระธรรมคำสั่งคำสอนตามมาก็คือพระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมนามาธรรมะอันวิเศษที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขที่เป็นมรร ม, มาสุขต้องเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นนี้ มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกต่อไปอถ้ายังไม่มีการเผยแผ่ถ้าเพียงแต่ตัดสรู้เพียงพระองค์เดียวแล้วไม่นำเอาสิ่งที่ทรงรู้มาสั่งสอนผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้และทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ทำให้ตนเองได้พบกับบรล ม, มะโสกได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามถ้ายังไม่มีประกาศพระธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาก็าจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังในกรณีที่พระพุทธเจ้าบางรูปนี้ไม่ส่งประกาศพระธรรมคําสอน เป็นพระประเจกพุทธเจ้ารู้เฉพาะตนความรู้ที่รู้นี้ไม่ได้เอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อ<ม>ื่นก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาได้พระประเจกพุทธเจ้านี้ก็จะรู้พระองค์เพียงพระองค์เดียวว่าพระองค์เป็นพระประเจกพุทธเจ้า แต่คนทั้งหลายในโลกนี้จะไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะพระองค์ไม่ทรงประกาศไม่ประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่เอาพระธรรมคำสอนที่ไม่เอาพระธรรมที่ทรงได้เรียนรู้ได้ได้ตัดสะรูน้นี้เอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็เลยไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมา อ น, นี้คือข้อที่หนึ่งคือต้องมีการตัดสรตวของพระพุทธเจ้าและหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วก็นำเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้ก่บสัตว์โลกพระพุทธเจ้าของพวกเราดีก็ในเบื้องต้นก็มีความรู้สึกไม่ขนขวาย ไม่มีความขวนขวายที่อยากจะนำเอาธรรมะอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพราะทรงเห็นว่าเป็นธรรมะที่ยากสำหรับสัตว์โลกที่จะเข้าถึงได้ในเบื้องต้นก็เลยไม่คิดว่าไม่คิดอยากจะเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนแต่หลังจากที่มีเท้ามาหาพรหม มากราบอาาธนาขอพระความเมตตาให้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาว่าสัตว์โลกนี้มีหลายความสามารถด้วยกันสัตว์โลกที่มีความสามารถน้อยที่จะเรียนรู้ที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมคาสอนนี้ก็ก็มีสัตว์โลกที่มีความสามารถมากที่สามารถที่จะ รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็มีหลังจากที่ได้รับการอาราธนาจากเท้ามหาพรหมพระองค์ก็ทรงได้ใช้เวลาพิจารณาดูความสามารถของสัตว์โลกต่างๆก็ทรงเห็นว่ามีความสามารถมากน้อยต่างกันอยู่สี่ระดับด้วยกัน ทรงแบ่งแยกเป็นเหมือนบัวสี่เหล่าบัวที่เหนือน้ําพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสงสว่างของดวงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นบัวกลุ่มแรกบัวที่สองก็บัวปลิ่มน้ําที่จะต้องใช้เวลาให้เจริญขึ้นมาเหนือน้นําในเวลาวันสองวัน แล้วหลังจากนั้นก็จะบานเมื่อได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์<ม>บัวชนิดที่สมนี้ก็เป็นบัวที่อยู่กลางน้ําที่กําลังเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาตามลําดับซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่ก็ไม่ไม่นานก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้แล้วก็จะสามารถแบ่งบานขึ้นมาได้เมื่อได้สัมผัสกับแสงสว่าง ของดวงอาทิตย์ส่วนกลุ่มที่สี่นี้เป็นบัวที่ยังอยู่ในโคนตมเป็นบัวที่จะถูกปูปลานำเอาไปกินเป็นอาหารเป็นส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกที่จะยากต่อการที่จะผุดโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อแบ่งบานได้ นี่ก็คือลักษณะของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี่ที่มีคุณคุณธรรมความสามารถที่จะรับพระธรรมอนะเสฐของพระพุทธเจ้านี้ได้ต่างกันไปมากน้อยต่างกันไปเมื่อทรงพิจารณาเห็นแล้วว่ายังมีบุคคลที่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ พระอ์ก็เลยตัดสินใจว่าจะนำเอาธรรมนประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้กับบุคคลที่สามารถที่จะเรียนรู้และรับประโยชน์ได้ในเบื้องต้นก็ส่งมุ่งไปพวกบัวเหนือน้ำก่อนพวกบัวเหนือน้ำนี้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมพราะธรรมคำสอนนี้ก็เป็นเหมือนแสงสว่างของพระอาทิตย์นี่เ พอพวกบัวเหนือน้ํานี่ได้สัมผัสกับแสงสว่างแข็งของดวงอาทิตย์หรือได้สัมผัสแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะสามารถเบิกบานเหมือนบัวที่เบ่งบานขึ้นมาเป็นจิตใจที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงจิตใจที่ บนรล้ถึงพระนิพพานได้ไไดพวกนี้เป็นพวกที่จะสามารถที่จะใช้เวลาไม่มากในการที่จะทำให้เขาเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ไซึ่งพวกนี้พวกที่เป็นบัวเหนือน้ำนี่ก็เป็นพวกที่มี ม, มีความสามารถในทางด้านศีลธรรมและในทางสมาธิอยู่แล้ว คือพวกนี้เป็นนักบวชบวชเหมือนตอนที่ก่อนที่พระเจ้าจะทรงตัดสรุพระพุธเจ้าก็ทรงออกออกบวชก่อนไม่ได้อยู่ในวงังออกบวชแล้วก็มาบาเพ็ญรักษาศีลของนักบวชแล้วก็มาเจริญสมาธิมาฝึกจิตฝึกใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆตรงนี้มีคุณธรรมสองข้อที่เป็นองค์ประกอบของการจะได้ตัดสรุคือต้องมีสีนันบริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ในโอเบคาถ้ามีองค์ประกอบสององค์นี้แล้วก็ขาดองค์ที่สาม ก็คือปัญญาความรู้ในอริยสัจสีความรู้ในตรายรับเนี่ยอันนี้จังทุกขงังอนัตตาถ้าได้ยินได้ฟังทำอันนี้แล้วก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วองค์จึงทรงตัดสินพระไทยจะไปโปรดพวกที่เป็นนักบวชก่อน เบื้องต้นก็นึกถึงพระอาจารย์สองรูปที่ได้เคยไปศึกษาที่มีศีลที่บริสุทธิ์และมีความสามารถที่จะเข้ารูปประชานและอารูปประชานได้แต่พอส่งเรงยานไปสำรวจดูก็พบว่าองค์หนึ่งนี้เสียชีวิตไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อน และอีกองหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้จึงทําให้พระ อ, องค์ทรงรู้สึกเสียดายเพราะว่าถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระ อ, องค์ก่อนที่จะตายไปนี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป mm. แต่เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมอันประเสริฐที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งนี้ ก็โดยทำให้ดวงวิญญาณของผ้าจานทั้งสองรูปนี้หลังจากที่ไปอยู่ในพรหมโลกแล้วเมื่อบุญที่ส่งไปอยู่ในพรหมโลกเสื่อมลงหมดลงก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาบาเพ็ญบุญกุศลใหม่ต่อไปเรื่อยๆเพราะยังขาดปัญญาไม่รู้เหตุที่พาให้ดวงวิญญาณของตน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 ถ้าไม่ได้พบกับองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็จะไม่มีวันที่จะรู้ถึงต้นเหตุของการที่จิตใจหรือดวงวิญญาณต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอยังเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอาจจะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกหลายกับหลายกันด้วยกันจนกว่าจังหวะที่มาเกิด เป็นมนุษย์ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามาได้ยินในฟังพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะชำระกิเลสอาสวะที่เป็นเหตุพาให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดยิ่งแล้วไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้ได้สิ้นสุดลงได้จึงรู้สึกเสียเสียดายเป็นอย่างยิ่งโอกาสอันประเสริฐอันเลิศ ที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะพบได้ตายไปเสียก่อนหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ส่งเริงยานไปดูพระปัญจวัคคีย์คือพระที่ปฏิบัติที่เคยติดใจที่เคยติดตามรับใช้พระ อ, องค์ตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรูุ้คือพระปัญจวัคคีย์นี่ มีพระห้ารูปด้วยกันที่ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพยียรด้วยการอดพระกยายหานี่ก็มีพระสาวกเหล่านี้คอยติดตามคอยดูแลรับใช้คอยให้กำลังใจแต่หลังจากที่พระองค์ทรงเห็นว่าการอดพระกยายหารตามลำพังเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ พระ อ, องค์ก็เลยทรงเปลี่ยนวิธีกลับมารับประทานอาหารตามปกติแล้วก็บำเพ็ญจิตตะภาวนาเจรณนวิปัสนาภาวนาเมือ่อพระองค์ทรงหยุดการรับการอดพระกยอาหารพระปัญจาวาคีทั้งห้านี้ก็เกิดความเสื่อมศรัทธา คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แพ้เสียแล้วมไม่สามารถที่จะอดไปจนถึงความตายได้<ม>กลัวตาย<ม>ก็เลยเสื่อมศรัทธาก็เลยไม่ติดตามรับใช้อุปถัมแยกตัวออกไป<ม>ไปอยู่อีกที่หนึ่ง<ม>ซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้ว น่าได้ทรงตัดสินพระไทยจะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกแล้วก็เลยมานึกถึงพระปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มที่สามที่เป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับพระธรรมันประเสริฐที่ได้ทรงตัดสู้ได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วองค์ก็เลยทรงตัดสินพระไทยไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ หลังจากที่ได้พบกับพระปัญจวัคคีย์ในเบื้องต้นพระปัญจวัคคีย์ก็ไม่มีความยินดีที่อยากจะต้อนรับแต่ก็ต้อนรับไว้โดยไม่ให้เสียมารยาทก็คือจัดที่อาสนะให้พระองค์ทรงประทับแต่ไม่ได้ทรงแสดงความยินดีอะไรอย่างไรแต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงโปรดแสดงธรรมให้ฟังแล้ว ทรงแสดงพระธรรมจักรประวัตินสูตรเป็นพระธรรมคําสอนข้า้งแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระอริยสัจสี่เรื่องของทุกขสมุทัยนิโรธมากทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากนิโรธคือการดับทุกข์การหยุดการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากมาก คือการปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากมัมโตสัมมาวาจาสัมมาชิวสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาชิผู้ใดที่สามารถปฏิบัติทำเหล่านี้ได้ ผูนั้นก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงธรรมบุดพ้นบุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็พอหลังจากที่ได้แสดงธรรมเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกนทัญยะก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขั้นพระอริยะขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบัน ด้วยการเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาพ<ม>อรทรงแสดงธรรมเสร็จแล้วและทรงมียานอย่างทราบว่าพระอัญญาณกนัญญาได้บรรลุธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ส่งเปล่งวาจาขึ้นมาอัญญาณโกนธัญะเธอรู้แล้วเนอเธอเห็นแล้วหนอะเธอได้บรรลุธรรมแล้วหนาะเธอได้เป็นพระอริยสองสารโลกแล้วราสนาพุทธนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะในวันนั้นมีพระรัตนนาตายปรากฏขึ้นมาครบทั้งสามองอค์เกิมีพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรม นามาธรรมะอันประเสริฐออกมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกแล้วก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมจนเกิดความเข้าใจสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาได้แล้วก็เลยมีพระรัตนตายครบองค์ก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นมาแล้ว พระพุทธศาสนาก็คือการเผยแผ่พระธรรมคาสอนอนประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นเองการที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างกว้างขวางนี้จําเป็นจะต้องมีพระอริยสงฆ์สาวกมาช่วยเผยแผ่แล้วก็มาช่วยสืบทอดเพราะว่าลําพังถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแผ่เพียงพระองค์เดียวนะก็จะไม่ได้เผยแผ่ได้อย่างกว้างขวาง แล้วก็หลังจากที่พระองค์ตายไปก็จะไม่มีใครมาทำหน้าที่ต่อได้ศ า, าสนาพุทธก็จะจบไปกับความตายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีผู้ที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมและได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาบันขั้นแรกแล้วก็ก้าวขึ้น ส, น 2, นสาาู่ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีขั้นที่สาพระอนาคามี และขั้นที่สี่พระอนาหารถ้ายังไม่ได้ก้าวสู่ขั้นพระอนาหารนี้ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ <Yeah. S 1> แต่หลังจากที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดครั้งแรกแล้วพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมต่อไปอีก <Yeah. S 1> อีกสี่วันด้วยกันสี่ห้าวันด้วยกันสแสดงธรรมห้าครั้งด้วยกัน อแสดงานคำครั้งที่ห้านี้พระปัญญาวัคคีย์ทั้งห้ารูปนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้ารูปพร้อมๆกันคำที่ทรงแสดงก็คือพระอนัตตลักกนสุูตรทงแสทรงแสดงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆ หรือร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสภาวะธรรมที่ประกอบขึ้นจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟและธาตุที่ห้าก็คือธาตุรู้ที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะแยกตัวออกจากกันไปก็เลยทำให้มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายของสังขารร่างกายต่าง ไม่มีใครตายไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นสัตว์ไม่มีใครเป็นมนุษย์มันเป็นทพาวะธรรมเป็นธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองผู้ใดไปหลงไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากที่จะมีร่างกายไปเรื่อยๆตอร่างกายนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อย ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนนี่ก็เป็นการปรากฏภายในห้าวันหลังจากที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็มีพระอาหารหันตสาวกห้ารูปบว ก, กับพระพุทธเจ้าพระหลันงตดสัมมาพุทธเจ้าอีกรูป ตอนนั้นก็โลกก็มีพระอาหารหันต์ขึ้นมาหรูปด้วยกันแล้วหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระอาหารหันตทศสาวกเหล่านี้แยกทางกันไปเผยแผ่ธรรมะเอาธรรมะอันประเสริฐนี้ไปสั่งไปสอนผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจาก ความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของการสูญเสียของการพัดภาคจากสิ่งที่รักที่ชอบไปให้เอาความรู้อนี้ไปสอนเขาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาร้องหม่มร้องไห้เวลาที่ร่างกายเขาแก่เวลาที่ร่างกายเขาเจ็บหรือเวลาที่ร่างกายเขาตายเขาจะไม่ร้องหม่มร้องไห้ถ้าเขาสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนในอริยาาสัจสี่ได้ทุกก็จะไม่เกิดทุกก็จะดับทุกที่เคยเกิดที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆก็จะหายไปเมื่อสามารถละความอยากต่างๆได้ด้วยมรคมรค ก, ก็คือมรค8ดหรือถ้ายอ่อเข้ามาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ สาวาวกทั้งหลายท่านก็เลยแยกตัวกันไปไปกันคนละทิศคนละทางเพื่อไปเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุจะได้บรรลุผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้หลุดพ้นกันส่วนพระพุทธเจ้าเองก็ส่งไปไปสอนธรรมะต่อนักบวชในสำนักต่างๆต่อไป จนทำให้เกิดมีการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นจํานวนมาก mm hmm. เพียงในระยะเวลาเจเดือนแรกของการเผยแผ่พระธรรมคําสอน mm hmm. คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8 mm hmm. เดือนที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชา mm hmm. มาถึงวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามในปีต่อมา mm hmm. ก็เป็นระยะเวลาเจเดือนด้วยกัน mm hmm. ก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ตถาวก ข, ของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนได้บรรลุจากพระพุทธเจ้าและได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ส่งให้ไปเผยแผ่ธรรมต่อผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมนี้ให้ไปคนละติ์คนละ ท, ทางพอถึงวันเพ็ญเดือนสามนี้พระอาหันเหล่านี้เกิดมีความอยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปจิตวันนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะมากราบพระพุทธเจ้ากันก็ <mm> <mm> เลยมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกัน <mm> เป็นการรวมตัวครั้งแรกในพระพุทธศาสนาที่มีพาาระอรหันตสาวก <mm> ถึงหนึ่งพันสองห้าสิบรูปด้วยกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้า มาแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานี้กําลังเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีพระอรหันต์เป็นครูบาอาจารย์ที่จะนำเอาความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่แหละคือความเจริญของพระพุทธศาสนานี้ เจริญ ด, ด้วยการเผยแผ่พระธรรมคําสอนมีครูบาอาจารย์ที่รู้ธรรมะอันประเสริฐแล้วไปสั่งสอนให้แก่นักศึกษานักเรียนที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและได้กลายเป็นพระอาลันตสาวกที่จะเป็นกลายเป็นครูเป็นอาจารย์ เพื่อไปเผยแพ่สั่งสอนธรรมะอันประเสริฐต่อไปศาสนาพุทธในยุคแรกๆจึงมีความเจริญอย่างรวดเร็วมีผู้ที่เคารพนับถือเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากนี่แหละคือสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมและการบรรลุธรรม ถ้ามีการบรรลุธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีการเผยแผ่ธรรมได้มากขึ้นเท่านั้นถ้ามีอาจารย์มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะสามารถสอนนักเรียนนักศึกษาได้มากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งมีอาจารย์มากก็ยิ่งมีนักศึกษาเข้ามาเรียนได้มากขึ้นถ้ามีอาจารย์น้อยก็จะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนได้น้อยศาสนาพุทธนี้เจริญด้วยการมีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็น เป็นศูนย์กลางเป็นองค์ประกอบสําคัญของพระพุทธศาสนานโยุกยที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ธรรมนี้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยคิดสร้างวัดสร้างอะไรเลยไม่เคยคิดสร้างถาวรและวัตถุต่างๆเพราะทรงเห็นว่ามันไม่เป็นสิ่งที่สําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะถาวรและวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์เป็นกุฏิเป็นศาลา เป็นพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถสอนให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเป็นวัตถุเป็นสิ่งของที่มันไม่สามารถที่จะสื่อสารพระธรรมันประเสริฐที่พระเจ้าได้ส่งรู้ส่งเห็นได้ใครที่ไปหลงกับสาววและวัตถุไปสร้างสาววและวัตถุต่างๆขึ้นมาแล้วคิดว่าจะได้รับ ผลจากการสร้างถาวรละวัตถุคือหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี้ก็จะต้องผิดหวังกันเอาวุตจ้าก็เลยไม่เคยสร้างถาวรละวัตถุตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีแต่สร้างแต่พระพระอาหารหันต์เพราะพระอาหารหันต์นี้เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งกับตัวของผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์เองและกับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้เรียนรู้จกากพระอรหันต์และจะได้กลายเป็นพระอรหันต์ต่อไปแล้วหลังจากกลายเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะได้สอนผู้อื่นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ให้กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอีกให้หลุดพน้นจากความทุกข์หน้าที่ของพระพุทธศาสนาะมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นก็คือพาให้สัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ แ ini, ห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในการที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเองหรือศึกษาจากพระอนันทสาวกถึงจะถึงจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยํา ความรู้ที่จะไม่มีความแปลกปอมต่างๆเข้ามาทำให้เกิดให้เกิดความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติได้เลยธรรมะนี้จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเองหรือจากพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงสแสดงไว้น่ามีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก หรือได้ยินได้ฟังจากพระอาหารหันตสาวกที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อ น, นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ซึ่งสมัยนี้เราถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้เองเพราะพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกเก็บเอาไว้นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่มีคำสอนของผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นคำสอนที่ได้ส่งแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน ในการเผยแผ่ธรรมพระพุทธเจ้าทรงตัดสุลูในอายุ36ปีและทรงจากโลกนี้ไปในอายุ80สปี36กับ80ก็คือส5ปีส5ปีนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะทุกวันหน้าที่ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อด้วยกันพุทธกิจ ภารกิจประจำวันของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งก็คือทรงบินทบาทออกโปรดสัตวนะ์นะเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนะเป็นพระถึงแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังออกบออกบินทบาทเป็นขอทานอยู่นะไม่ได้รอให้ศรัทธาญาติโยมนำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงที่วัดนะทรงออกบินทบาททุกวันนะนะ ตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้กับคารวะญาติโยมผู้ครองเรือนตอนค่ำก็แสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณียามดึกก็แสดงธรรมโปรดเทวดามีภารกิจสามข้อสี่ข้อข้อแรกบิณฑบาตข้อที่สองโปรดสัตแสดงธรรมในตอนบ่ายให้กับคารวะญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับ ภิกษุภิกษุณีข้อที่สี่แสดงธรรมให้กับเทวดาและข้อที่ห้าตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกมินบาตจะทรงเลงยานดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษเป็นผู้ที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมหน้าในวันนั้น mm hmm. พระ อ, องค์ก็จะทรงไปแสดงธรรมโปรดบุคคล น, นั้น mm hmm. นี่คือการ น, นี่คือหน้าที่กิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้ามีอยู่หข้อนี้ทั้งนั้นเอง สข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นให้ได้หลุดพ้นกันธรรมะของพระเจ้าจึงมีจำนวนมากมายคิดดูวันละสีรอบปีห น, นึ่งมีสา5ส้าวันก็คูณสี่เข้าไปก็เป็นกี่พันเข้าไปแล้วพันกว่าเกือบสองพันคูณอีกสี่สิบห้าปีเข้าไปก็เป็นหมื่นนะ ธรรมในพระไตรปิฎกจึงมี 84% ดหมพรพระธรรมบทมีมีการแสดงธรรมถึง84ครั้ง 84% ดหมพันครั้งที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ที่ได้มีบันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกนี้ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎก ก็เท่ากับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเราจึงยังไม่มีเราจึงไม่ได้ขาดพระพุทธเจ้าไปในพระรัตนตรัยข่าดเพียงแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะตัวแทนตัวแท้จริงของพุทธเจ้าก็คือธรรมะก็ยังอยู่ในพระไตปิฎกนี่งห้เราสามารถศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าได้ทุกครั้งที่เราศึกษาจากพระไตยปิฎก และนอกจากนั้นเราก็ยังมีพระอริยสงสาวกพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ยางจะสามารถสอนเรื่องพระอริยสัจ ส, สี่ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นได้เรารู้ได้ยังไงว่าเรายังมีพระอรหันตสาวกอยู่ในโลกนี้อยู่ ก็รู้ได้จากการที่เวลาที่ร่างกายของท่านตายไปกระดูกบางส่วนของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาแสดงว่าถ้ากระดูกของพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เวลาตายไปแล้วกระดูกบ า, บางส่วนนี้จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็แสดงว่าพระรูปนั้นท่านเป็นพระอหนะแล้วคาสั่งคําสอนที่ท่านได้สั่งสอนไว้ ที่มีการบันทึกไว้ก็จะสามารถเป็นคำสอนที่เราสามารถศึกษาได้ถึงแม้แว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้จากท่านโดยตรงก็ตามแต่เราก็จะสามารถเรียนรู้จากคำสอนของท่านที่มีการจดบันทึกเอาไว้ได้เช่นเดียวกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามีศรัทธาในพระรูปใดรูปหนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีผู้ที่มีความเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต เราก็สามารถที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกับท่านได้ในเบื้องต้นเราก็ควรที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นไว้เป็นตัวอย่างก่อนให้รู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้าง<ม>เช่นเราควรจะศึกษาพระสูตรสำคัญเช่นธรรมจักรกับมวัตนสู ต, ตรอาณาตารคณสูตรพระอาทิตยยปริยายสูตร พระสติปัฏฐานสูตรแล้วก็พระมงคลสูตรถ้าเราศึกษาพระสูตร5้าพระสูตรนี้เราก็จะได้เรียนรู้เราก็จะรู้ว่าพระุทธเจ้าสอนวิธีการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างไรและเมื่อเรารูนรู้นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เวลาที่เราไปศึกษากับพระที่เราคิดว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษานี้มาวัดมาเทียบกับคำสอนของพระที่เป็นสุปฏิปันโนนี้ว่าท่านสอนตรงกันหรือไม่ถ้าสอนตรงกันก็แสดงว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำถ้าเป็นการสอนที่ขัดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องนี้ก็ไม่น่าที่จะเป็นพระที่จะบรรลุหลุดพ้นจากธรรมะได้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็จะได้เปลี่ยนหาพระรูปอื่นต่อไปหาพระที่สอนตรงตับตามหลักความเป็นจริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เมื่อเรานำเอามาปฏิบัติก็ทำให้เราได้เกิดผลขึ้นมาตามที่ท่านสอนทุกประการ น, า น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ถ้าเรายังต้องการถ้าเรายังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเรายังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพาจากสิ่งที่เราลักเราชอบอยู่ทุกกับสิ่งที่ ทุกข์กับการที่เราต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องแก้ปัญหาความทุกข์เหล่านี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เราโชคดีเรามาเกิดในยุคที่มีวิธีการแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของเรานี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือคำสอนของพระอรหันตาสาวกของพระพุทธเจ้า ที่มีบันทึกไว้เป็นหนังสือต่างๆก็ดีหรือพระอรหันตสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีถ้าเราเข้าหาพระเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้องได้ความรู้ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะเบื้องต้นอยากจะ ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อที่เราหลังจากที่เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะได้ช่วยเผยแผ่พระธรรมคาสอนต่อไปได้ทําให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ไปได้นานๆพระพุทธศาสนานจะอยู่ได้นานไม่นานนี้อยู่ที่การผลิตพ ร, พ, ลพระอละพระอรหันตสาวกถ้ายังมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ พระพุทธศาสนานี้จะไม่มีวันเสื่อมจากโลกนี้ไปเพราะจะมีครูมีอาจารย์ที่จะนำเอาธรรมะอันเสริตมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ติดตกอยู่ในกองทุกข์ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้เรียนรู้ mm hmm. เมื่อเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นเขาก็จะเป็นผู้ที่จ ะ, ะทํานุบารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปเป็นยุคยุค ความเจริญหรือความตั้งอยู่ของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้อยู่ที่การมีถาวรวัตถุต่างๆการมีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิมีวิหารมีศาลามีพระพุทธรูปอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสอนให้ผู้ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ให้หลุดออกจากกองทุกข์ได้เพียงแต่เป็นส่วนประกอบเป็นเป็นส่วนของ การสร้างบุญสร้างกุศลของผู้ที่ยังไม่มีความสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็อาศัยการทำบุญในพระพุทธศาสนาไปพรางๆก่อนเรียกว่าเป็นการอ า, อามิสบูชาบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการาด้วยวัตถุข้าวของต่างๆสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูป สร้างศาลาสร้างกุฏิต่างๆนี้เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถที่จะออกบวชที่จะสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ผู้ที่ยังไม่สามารถออกบวชก็ทำบุญทากุศลไปพังๆก่อนดีกว่าการที่จะต้องอ ไม่มีบุญไม่มีกุศลติดตัวไปเลยหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะดวงวิญญาณ น, นี้หลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะไปตามอำนาจของบุญและอำนาจของบาป ท, ที่ทำไว้ถ้าไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปเนี่ยดวงวิญญาณก็จะต้องไปสู่ที่ต่ำไปเกิดในอบาย ไปเป็นสัตว์เดราชาบ้างไปเป็นเปรตเป็นอ ส, สูรกายไปเป็นสัตว์นรกบ้างแต่ถ้ามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วก็พยายามปฏิบัติตามตามกำลังของตนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีสอนไว้เป็นสามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือให้ละาการกระทาบาปทั้งปวงระดับที่สองก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม ข้อที่สามให้ชำระกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติขั้นที่สามได้ก็คือการชำระกิเลสอาสวะเพราะการจะชำระกิเลสอาสวะได้นี้เราจาเป็นจะต้องออกบวชกันได้ยอยู่แบบนักบวชต้องถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องปฏิบัติสมาธิและปัญญาให้ได้ถึงจะสามารถชำระกิเลสอาสวะได้ คนที่จะสามารถทำรากิหรือสวาดานี่ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มร้อยคือจะไม่ทามาหากินเลี้ยงชีพอะไรอย่างอื่น<ม>นอกจากเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติ<ม>ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังเป็นผู้คองเลือนอยู่ยังเป็นผู้ที่ยังเด็ดอยู่กับการมีทรัพสมบัติมีความสุขจากการใช้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอยู่ ก็เราก็เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มาทําบุญกันมาบูชาพระพุทธมาบูชาพระาศาสนาเพื่อสนับสนุนให้พระาศาสนาของผู้ให้สนับสนุนผู้ที่มาศึกษาปฏิบัติในพระพุทธศาสานานี้ได้อยู่อย่างอย่างพร้อมเพรียงคือไม่อัตคัดขัดสนไม่ตกไม่ยากลําบากเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติในการศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ของผู้ที่มาบวชกันผู้ที่ยังไม่ได้บวชแต่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่นำความน่มเย็นเป็นสุขนำความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาและสามารถปฏิบัติตามได้เราก็ทำตามกำลังของเราไปก่อนถ้าเรายังบวชไม่ได้เรามีกาลังทรัพย์เราก็มาสร้างถาวรและวัตถุหรือมา สนับสนุนด้านปัจจัยสี่พระที่มาบวชนี้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เพราะพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ไปทำมาหากินให้เอาเวลาทำมาหากินนี้มาปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวก็เลยต้องอาศัยความเมตตาการทำบุญของศรัทธาญาติโยมที่จะสนับสนุนทางด้านปัจจัยสี่เช่นใส่บาทอาหารบิณฑบาตแล้วก็ ถวายผ้าจีวรต่างๆสร้างกุฏิสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ถวายยารักษาโรคหรือช่วยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่พระภิกษุหรื อ, อนักบวชในพระพุทธศาสนานี้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการทำบุญของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นบัว บัวเหนือน้าเป็นพวกที่ยังอยู่บัวกลางน้ำอยู่ผู้ที่ยังต้องใช้เวลาสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆอยู่ก็ให้ทำบุญทำทานไปก่อนสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายไปก่อนแล้วก็ให้รักษาศีลห้าไว้คือให้ละการกระทำบาปเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายเพราะว่าถ้าไม่ ถ้าไม่รักษาสี่ห้าถ้าไม่รับไม่ละเว้นจากการกระทำบาสนี้ปล่อยให้ใจไปกระทำบาปอยู่เรื่อยเวลาตายไปบาสนี้จะเป็นตัวที่ฉุดดึงให้ไปเกิดในอบายให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุลกกายบ้างไปตก น, นรกบ้าง<ม>ถ้าไม่อยากจะไปอบาย<ม><ม>ก็ต้องรักษาสีลห้ากันให้ได้ สินห้าก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปน่นแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆไม่ดื่มของมึนเมาหรือยาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาขาดสติพอเมื่อเกิดอาการมึนเมาขาดสติแล้วก็จะไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ที่เวลามีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ที่อยากจะทำบาปขึ้นมาก็จะไม่สามารถยับยั้งได้ เรามักจะเห็นเวลาคนที่เมาจากสุราหรือยาเสพติดนี้จะมีอาการเหมือนคนคุ้มคลั่งเหมือนคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนได้นึกอยากจะอารวาก็อารวาขึ้นมานึกอยากจะใช้เสียงหยาบคายก็จะใช้ออกมานึกอยากจะทําร้ายใครก็ทําร้ายไปอันนี้คืออาการของผู้ที่เสพสุรายาเมาหรือยาเสพติดที่ทําให้ขาดสติ ที่จะคอยควบคุมบังคับจิตใจไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่เสียหายต่อผู้และตนเองถ้าไปทำสิ่งที่เสียหายไปทำร้ายผู้อื่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปทำร้ายทรัพย์สินหรือไปรักทรัพย์ของผู้ก็จะสร้างบาปขึ้นมาในใจบาปที่จะเป็นผู้ที่จะส่งให้ใจนี้เวลาตายไปนี้ต้องไปเกิดในอบาย ยังไม่สามารถกลับมาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่สามารถไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ได้ถ้ามีการกระทำบาปมากกว่าการทำบุญหรือแม้จะมีการทำบุญบ้างแต่ถ้ายัางมีการกระทาบาปอยู่และบาปที่ได้ทำไปนี้มีมากกว่าบุญที่ได้ทำเอาไว้เวลาตายไปนี้บาปจะเป็นผู้ที่มีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบาย แต่ถ้าเราพยายามรักษาศีลไม่ทำบาปหรือทำทาก็ทำน้อยมากเวลาที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แต่เรามั่นทำบุญกันอยู่เรื่อยๆทำบุญกันให้มากกว่าได้กว่าทำบาปเวลาตายไปถึงแม้เราจะได้เคยทาบาป ม, มามั่งก็ตามแต่ถ้าเราได้ทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะมีกำลังมากกว่าที่จะเดินงใจ ที่จะให้บาปดึงใจไปอบายบุญก็จะดึงใจให้ไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆเพราะฉะนั้นผู้เจ้าถึงสงสอนให้คารวดผู้คองเรือนผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะออกบวชได้ให้ทำสองข้อ น, นี้ก่อนก็คือให้นาการกระทำบาปทั้งปวง แล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆอยู่เรื่อยๆให้พร้อมมีโอกาสทําบุญเมื่อไหร่ก็ทําใส่บาตรได้ก็ใส่บาตรถวายสังฆทานได้ก็ถวายในโอกาสต่างๆวันเกิดวันครบรอบวันปีใหม่วันอะไรก็ตามหรือสําหรับบางท่านก็อาจจะตั้งสัจจะว่าจะทำทุกทุกวันพระก็ได้บางท่านเช่นเข้าพรรษานี้บางท่านก็ตั้งสัจจะว่า พรรษานี้ทุกวันพระจะทาบุญอย่างใดอย่างหนึ่งจะใส่บาตรก็ได้ถะไหสังฆทานก็ได้จะไหว้พราป่าก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เราอยากจะทำบุญในรูปแบบไห น, นแต่เราต้องตั้งสัจจะไว้ก่อนถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเราก็จะได้ไม่ไม่ลืมเราก็จะได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําก็ได้สร้างบุญสร้างสวรรค์ให้กับจิตใจของเรา บางท่านก็ตั้งสัจจะว่าพันษานี้จะไม่ทําบาปจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเพณีจะไม่พูดปดจะไม่ดื่มของมูลเมาต่างๆอันนี้ก็เป็นการตั้งสัจจะเมื่อตั้งสัจจะแล้วก็ต้องทําตามที่เราได้ตั้งสัจจะเอาไว้ถ้าเราไม่ทําตามก็แสดงว่าเราเป็นคนไม่มีสัจจะเป็นคนโกหกหลอกลวง หลอกลวงแม้กระทั่งตัวตัวเองก็ยังหลอกลวงได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะเราก็จะเราก็จะไม่ได้ทำนั่นเองเพราะเราไม่มีอะไรมาผูกมัดบังคับเราให้เราต้องทำอะไรเราบางทีถ้าเราอยากจะได้ดบได้ดีเราจึงต้องบังคับตัวเราเองด้วยการตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ทำบาปาตลอดระยะเวลาสามเดือนในพรรานี้ เราจะทำบุญอย่างเดียวเราจะใส่บาตรเราจะถวายสังฆทานเราจะมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามกำลังของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติแบบนักบวชก็อย่างน้อยอาวันพระหนึ่งก็มาปฏิบัติสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมให้เกิดปัญญาต่าง อันนี้เป็นการสะสมบารมีของผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวดก็เปรียบเหมือนบัวกลางน้ำบัวที่ต้องต้องอาศัยการเจริญเติบโตด้วยพักด้วยอาหารที่อยู่ในน้ำนี้ส่งหลอเลี้ยงให้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำทสองข้อแรกนี้ได้คือละการกระทำบาปได้ทำบุญอยู่อย่างสม่าเสมอได้ เดี๋ยวก็สามารถก้าวขึ้นไปสู่ขั้นข้อที่สได้ก็คือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอต้องเป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวช mm hmm. ถือศีลแปดอย่างน้อยต้องถือศีลแปดขึ้นไป mm hmm. ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีลแปดถ้าเป็นสมัมมเณนท์แม่ชีก็ถือศีลสิบ mm hmm. ถ้าเป็นพระภิกษุก็ถือศีลสองร้อ hmm. ด เมื่อเป็นนักบวชแล้วจะได้มีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมที่จะเอามาชำระกิเลสอาสวะต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะ <c oughs> หลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจจะหายไปหมดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจาก สิ่งต่างๆที่เราลักเราชอบหรือความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ลักไม่ชอบนี้มันจะหายไปหมดถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติจิตตภาวนา<ม>คือนั่งสมาธิจเจริญปัญญามีปัฏนา<ม>เพื่อที่จะก ำ, <ม>กำจัดกิเลสอาสวะตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจ<ม>พอกิเลสอาสวะตัณหาหมดสิ้นไปจากใจ ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะไม่มีเหตุที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปใจก็เป็นใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเป็นใจของพระอาหารหันต์นั่นเองอันนี้ก็คือแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในการที่จะสร้างพระอาหารหันต์ขึ้นมาเบื้องต้นก็สอนสองข้อแรกก่อน สอนให้ละการกระทําบาปแล้วก็สอนให้ทําบุญตามกําลังตามความสามารถเมื่อทําทไปเยอะๆทําไปบ่อยๆแล้วจะมีกําลังที่จะไปข้อที่สมได้ก็คือไปไปภาวนาไปชําระจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยการรักษาศีแปดขึ้นไปแล้วก็บําเพ็ญจิตตภาวนาทําใจให้สงบ แล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาด้วยอริยสัจ ส, สีด้วยไตรลักษณ์แล้วก็จะทําให้ใจนี้สามารถกําจัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้หมดสิ้นไปพอกิเลสตัณหาได้ถูกกําจัดด้วยการภาวนาด้วยการทำละจิตใจแล้วจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นจิตใจที่ไม่มีความทุกข์เป็นจิตใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เป็นจิตใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยบรมมสุขคือความสุขของพระนิพพานนี่แหละแล้วก็จะเป็นจิตใจที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่พอได้หลุดพ้นเป็นพระอารหันต์แล้วก็สามารถทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สืบต่อจากพระพุทธเจ้าจาก ครูบาอาจารย์รูปอื่นต่อไปได้ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุพระอาหารหันต์กันแล้วพระพุทธศาสนานี้ก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าฐานวัตถุต่างๆอาจจะถูกเขาทำลายทาลายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่ศาลาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูป สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสอนให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ่งที่จะทําให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องเป็นพระอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งพระอารหันต์นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่จะถูกทําลายได้ยากเพราะหนึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระอารหันต์บ้างสองถึงแม้จะรู้ก็ยากต่อการที่จะไปทําลายเพราะพระอารหันต์ทั้งหลาย พราะพระอรหันนี้ท่านมีเทวดาคุ้มครองท่านมีความดีคุ้มครองอยู่เป็นสิ่งที่ยากต่อการทําลายไม่เหมือนกับถาวรและวัตถุต่างๆโบเจดีนี้ใช้ระเบิดลูกเดียวมันก็ทําลายได้แต่ทาลายไปก็ไม่เป็นไมไน่ไม่ได้เป็นการทําลายพระพุทธศาสนาผิดใจอย่างใดสิ่งที่จะทําลายพระพุทธศาสนาก็ต้องทํา ต, ต, ต้องทําลายพระอาหารหันต์สาวกให้ได้ และการที่จะทำลายผ้าหัานตาสาวกได้ก็ต้องคืนต้องกำจัดต้องยุติการศึกษาการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนไม่มีการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนะ้นาหลานตสาวกก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้นั่นแหละเป็นการทำลายหรือเป็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนาก็คือการไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรบรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อไม่มีพระอรหันต์ก็จะไม่มีผู้ที่จะมาสั่งสอนธรรมะสืบทอดต่อไปในยุคต่อไปยุคต่อไปก็จะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะสอนธรรมะได้เมื่อไม่มีใครสอนใจก็จะติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆศาสนาก็จะเสื่อหมหายไปต่อไปแต่ถ้าเราถ้าเราย่งถ้าเราเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา ว่าเป็นร่มโพล่มใสให้แก่สัตว์โลกแป็นที่เครื่องของจิตใจให้สัตว์โลกและเราก็อยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมาขยันศึกษาธรรมะกันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังแล้วรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็นําออกไปปฏิบัติเมื่อเรานําไปปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตใจของเราก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปได้ แล้วผู้นเมื่อมาศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นได้เป็นพระหลานเขาก็จะเป็นที่พึ่งของรุ่นต่อไปได้ตามลาดับถ้าทําอย่างนี้ได้าศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมจากนโลกนี้ไปแต่ถ้าวันใดเราเลิกศึกษาเราเลิกปฏิบัติเลิกบรรลุธรรมกันแล้ววันนั้นล่ะเป็นวันที่เราเริ่มนับถอยหลังของของพระพุทธศาสนาได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงส่งบัญญัติไว้ว่าพระพุทธศาสนาของพระองค์นี้ จะอยู่ได้ไม่เกิน 5,000 ปีซึ่งตอนนี้ก็อยู่มาเกิน5้0 0ันอนกว่าปีแล้วครึ่งทางแล้วถ้าเรายังมีการศึกษามีการปฏิบัติอยู่เราก็จะสามารถประยุงให้ไปอยู่ถึง 5,000 ปีได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินี้อาจจะหมดไปก่อน 5,000 ปีก็ได้ถ้าเร า, เราถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศา ส, สนาเราต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธก็คือศึกษาปฏิบัติและบรรุธรรม แล้วเราก็จะทําให้พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปได้นานๆ น, นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะตั้งอยู่ต่อไปได้อย่างไรนี้ก็ได้เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเลวะหาปุราตาริปุเลนติสาคะลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสัมมิจโตสัเพุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิโยวิวัจันตุสัพพโคกวินาสตุ มาเตผวัตวันตรายุสุขิทีคายยโกผวะอภิวาธนสศลิสานิจังุธาปจายโนจตารธรรมวาทานเตอายุวโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถา ม, ถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้อยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ท่านที่มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e บุ๊ k 475ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สองอเจ็สิบห้าท่าน YouTube ดรวีห้าสิบสี่ท่านวิทยุออนไลน์สิบห้าท่านค l ับเ o า s ์หา้าท่านนาคุติร้อยห้าสิบสองท่านรวมทั้งหมดเก้า้อยเจ็สบหกท่านครับประจา์มีคำถามจากนาคุติค่ะถามว่าโยมอยากทราบว่าการที่พระทาตเสด็จมาอยู่เพราะด้วยเราด้วย อยู่ด้วยกับเราเพราะอะไรคะและโยมต้องปฏิบัติอย่างไรกับพระธาตุที่เสด็จมาอยู่ด้วยเจ้าคะก็เราเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงมีพระธรรมคำสอนจริงมีพระอริยสงสาวกจริงเพื่อเราจะได้คลายความลังเลสงสัยไปแล้วให้มีความแน่วแน่มั่นคงกับพระพระธรันาตนใัยึดพระรันาตนใยเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปจากยูทค่ะ ขอาการถามค่ะในขณะที่ฟังธรรมบางครั้งมีเวทนาเกิดขึ้นลูกควรวางจิตไปตรงไหนหรือวางจิตอย่างไรดีเจ้าคะก็อยู่ที่การฟังธรรมฟังธรรมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆที่อาจจะเข้ามารบ ก, กวนอย่าไปสนใจให้อยู่กับการฟังธรรมไป จาก y ยูทูบค่ะถ้านั่งสมาธินานๆให้เจอทุกขเวทนาบ่อยๆแล้วสักวันจะผ่านได้ไหมเหมือนหัดทําข้อสอบบ่อยๆใช่ไหมครับก็ก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้จักวิธีทำให้ให้มันผ่านถ้าทําโดยไม่รู้จักวิธีก็จะไม่ผ่านวิธีที่จะทําให้ผ่านก็จะต้องระวางใจให้เฉยๆไม่ให้ไปเกิดความอยากให้มันหายไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป เราไม่ต้องไปทำอะไรมันต่อไปเราก็จะผ่านได้จากทางเ c e b o o k ค่ะคุณจะรัญญาค่ะฝากถามว่าเราพิจารณาตัวเราไม่เที่ยงตัวเราต้องตายแบบนี้เสมอเสมอถูกต้องไหมคะถูกต้องตัวเราคือร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปเราก็แยกไปอยู่ในโลกทิพย์ต่อไป คุณปรีดาค่ะถ้าอดีตรเราทําไม่ดีมาแต่ว่าปัจจุบันเราได้ฟังทำแล้วเราก็เชื่อกฎแห่งกรรมแล้วเรากลับมาทำด้วยความดีแต่บางครั้งสินห้าก็รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างเราจะยังพ้นอบายได้ไหมคะก็ถ้าเราทําบุญให้มากกว่าทําบาปก็ยังพ้นได้อยู่แต่พ้นแบบไม่ไม่ถาวรถ้าช่วงไหนบุญเราน้อยกว่าบาปช่วงนั้นก็จะต้องไปอบาย ผู้ไม่ไประสงค์ออกนามค่ะนั่งสมาธิจําเป็นต้องหลับตาไหมคะหากพยายามนั่งได้ไม่นานหรือว่าลืมตามองแสงเทียนแทนได้ไหมคะหลับตาจะได้ผลดีกว่าลืมตาแต่ถ้ายังหลับตาไม่ได้ก็ลืมตาไปก่อนก็ได้จัดทาง youtube ค่ะเวลาที่คนเราตายจิตที่ไปจุติร่างใหม่เป็นจิตดวงเก่าหรือจิตเก่าดับแล้วเกิดจิตใหม่ไปจุติที่ร่างใหม่ครับ ก็เหมือนร่างกายเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้านี้ร่างกายยังเป็นร่างกายเก่าแล้วร่างกายใหม่เวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้านหนยก็ร่างกายเก่าเหมือนเดิมใจก็เหมือนเดิมใจเวลาร่างกายตายไปใจอันนี้ก็เป็นใจเหมือนเดิมอยู่เหมือนกันจากคุณสมบูรณ์ค่ะเส้นเสียงมีปัญหาสวดมนต์ในใจได้บุญไหมเจ้าคะได้ได้บุญมากก็ออกเสียงด้วยซ้ําไปถ้าสวดมนต์ในใจได้ดี จะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาคุณศิวาการค่ะพระโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรครับต้องไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไม่กลัวความสูญเสียอัทธาจากสิ่งที่รักที่ชอบไปไม่มีค่ะหมดแล้วเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ความทุกข์ของเราเกิดจากความยึดติดในสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ของเราพอเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรายึดติดไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยยอมรับความจริงว่าของต่างๆเป็นของชั่วคราวของที่เราไม่อยู่ตอนนี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเราเข้าใจแล้วเรายอมรับความจริงไม่ได้เกิดความอยากให้มันไม่จากเราไป เวลามันจากอราไปเราก็จะไม่ทุกข์ฉนั้นพยายามฝึกสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากให้มันจากออาไปเราจะทุกข์เวลาเราคิดถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันเราจะทุกข์แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยว่าเราจะต้องจากกันเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้จักกันเราก็อยู่ได้ เมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ทําไมเวลาตอนนี้เขาจะไปเราจะอยู่ไม่ได้คิดว่าเป็นการอยู่ด้วยกันชั่วคราวเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นว่าเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็ทําใจเฉยๆเท่านั้นเองใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากได้ใหม่เดี๋ยวก็หาใหม่ได้คนมีต้องเยอะแยะไปแม้แต่ร่างกายนี้ก็ตายไปก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่แต่ว่ามันเกิดแล้วมันไม่ดีเกิดแล้วมันทุกข์ ก็เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนฉลาดเลยไม่อยากจะเกิดกันมากกว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่เรืนอยๆงั้นต้องมาตัดความอยากที่พาให้มันมาเกิดกันความอยากในรูปเสียงกละนะิ่นรยอยากมีแฟนอยากดูหนังฟังเพลงนี่นต้องตัดไปให้ได้ถ้าตัดไปได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดอีกจากคุณประสิทธิ์ทางยูทูบค่ะ เสียงดังที่หูประสาทหูเสื่อมดังตลอดนั่งสมาธิเรามีวิธีใดจะแก้เสียงดังที่หูได้ไหมคะไม่มีละวิธีแก้ก็คือแก้ที่ตัวเราเราอย่าไปสนใจมันก็ปล่อยมันดังไปเหมือนตอนนี้เราก็มีเสียงนกร้องมีเสียงอะไรมันก็ไปห้ามมันไม่ได้มันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปเราก็อยู่ของเราไปเราก็อยู่กับพุทโธไปพุทโธไปเรื่องดูลงไปเดี๋ยวใจเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันใจไม่ยุ่งกับมันแล้วใจเราก็จะสบาย ถ้าเราไปยุ่งกัมันอยากให้มันไม่มีเสียงพอมันร้องขึ้นมาทีก็ใจก็วิทขึ้นมาตามมันทันทีเราต้องพยายามสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้จากทางยู u ูบค่ะเป็นเทวดาต้องทําบุญอย่างไรคะจะได้ไม่ต้องไปอบายคะ่ะก็ทำสองอย่างไม่ทําบาปแล้วก็ทําบุญใส่บาทรทุกวันบริจากเงินทอง ซื้อข้าวซื้อของให้คนยากคนจนก็ได้สร้างทานชนิดต่างๆทํากับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับมูลนิธิต่างๆก็ได้แล้วแต่เราอยากจะทําปลา่อยนกปล่อยปลาก็ได้ไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้อันนี้เป็นการทําบุญทั้งนั้นที่จะส่งใจให้เราไปสวรรค์กันตอนนี้ยังไม่มีทําความดีทําประโยชน์ให้กับคนอื่นถึงแม้ไม่มีเงินเราก็ยังทําบุญได้ ไปรับใช้ไปช่วยเหลือเขาได้ไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาทํางานโดยที่ไม่เรียกไม่รับผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งหรือถ้าเรามีความรู้วิชาความรู้สอนให้เขาให้คนอื่นที่เขาไม่รู้ได้รู้เช่นเรารู้จักวิธีทํากับข้าวคนก็อยากจะอยากจะทํากับข้าวเขาก็มาเรียนกับเราแล้วก็สอนเขาไปโดยไม่คิดเงินทองก็ได้บางคนบางคนรู้จักเย็บผ้าเย็บปักถักร้อย ถ้อาอกจะเรียนมาขอเรียนก็สอนเข้าไปแล้วไม่คิดตางอย่างนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันจากคุณพนัสค่ะหากปฏิบัติจนจิตรวมได้ถือว่าใกล้สูตบันฑหรือยังครับก็ได้สมาธิยังต้องไปขั้นปัญญาต้องสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นสภาวะของธรรมชาติ ต้องหัดอยู่กับมันต้องยอมรับมันให้ได้ถ้ายอมรับมันได้ใจก็จะไม่ทุกขกับมันจากคุณปอทางเ c e บ o o k ค่ะน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะการฝึกจิตใจไม่ให้กับไม่ให้จมกับความคิดต้องเริ่มอย่างไรดีเจ้าคะ่ะไม่ให้อะไรไหมไม่ให้จมกับความคิดเจ้าคะ่ะก็ต้องใช้สติเช่นคาบริกรรมพุทโธพุทโธให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธ ใจก็จะไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้ต้องทําทั้งวันทั้งคืนถึงจะถึงจะหยุดมันได้ต้องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็จมอยู่กับความคิดเนยเราต้องดึงมันออกจากความคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปตื่นขึ้นมาพุทโธอาบน้ําล้างหน้ า, าพัดควันพุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปทุกระยะทุกขณะกินอาหารก็พุโทโธไป นี้ต่อไปความคิดนั้นก็จะไม่จมใจก็จะไม่จมอยู่กับความคิดจากทาง YouTube ค่ะหากปิดอบายภูมิเป็นโสดาบานเกิดไม่เกินอีกเจ็ดชาติไม่ได้จบในชาตินี้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอายุยืนต้องรออีกนานเลยใช่ไหมครับก็ไม่รู้นานหรือไม่นานก็เป็นเรื่องของของกฎแห่งกรรมก็ไม่เป็นไรกลับมาเกิดก็มาปฏิบัติต่อได้ จากคุณสิงโตค่ะกระผมนั่งสมาธิแล้วมีอาการขนลุกบ้างหนาวบ้างมุดก้อนเมฆบ้างหลังจากนั้นกายระงับได้ยินเสียงแต่ไม่รําคาญหลังจากนั้นเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นลางๆแต่ผมไม่ได้ตามแสงเกาะกับกาะอยู่กับลมตลอดแบบนี้ผมทําถูกต้องไหมครับอาจารย์ถ้ากาติะอยู่กับลมก็ถูกต้องอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆจนกว่าใจมันจะนิ่งใจจะปล่อยลมแล้วก็ทุก อ, อย่างว่างเย็นสบาย เราก็ให้รู้เฉยเฉไปคำถามต่อไปค่ะกับาวนมัธ ก, การพระอาจารย์ค่ะสมาวาจาเราจะฝึกอย่างไรให้ไม่กดข่มเกินไปคะกลายเป็นคนพูดน้อยกลัวพกลัวที่จะผิดหรือเพ้อเจ้อทำให้คนรอบข้างอึดอัดเจ้าค่ะเราเบิกต้นเราแค่ไม่พูดปดก่อนก็แล้วกันพยายามอย่าพูดปด ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ผูก ป, ปากไว้เฉยๆกันแล้วกันหรือพูดเรื่องอื่นไปหรือขอปฏิเสธว่าขอขอไม่ขอไม่ตออแล้วก็พยายามหาัดห้ามวาจาที่หยาบคายอย่าไปใช้วาจาที่หยาบคายส่วนอย่างอื่นถ้ายังห้ามไม่ได้เช่นชอบพูดเพ้อเจ้อชอบบินทากันเลยก็ปล่อยไว้แตก่อนก็นแล้วกันถ้ามันรู้สึกมันอาจใจ อันไหนที่เราพอจะทำได้ก็ห้ามข้อสำคัญก็คือคการพูดปดนี้สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมาวาจาทั้งสีน่นี้การพูดปดนี้เป็นมีโทษที่รุนแรงที่สุดเั้นพยายามอย่ากโกหกถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็เฉยๆไว้ค็แล้วกันตอนนี้ยังไม่มีค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคำถามตอนนี้หมดแล้ว